ขอความสุขความเจริญ จ, จงมีท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมาวิทายาลัยศรีปทุมในวันนี้คงพูดเรื่องธรรมธายาตสูตรในมัชฌิมนิกายสืบต่อจากทีระกราวไว้ในวันก่อนขอความสุขนี้เป็นการอาธิบายขยายความของปรธาธรรม ซึ่งบนที่จริงท่านก็รวบรวมมาจากที่ต่างๆแล้วก็นำมาอธิบายขยายความไว้ดัานัน้กล่าวมาแล้วในวันก่อนว่าหรือถ้าเราพูดโดยสรุปง่ายๆเนี่ยความเป็นธรรมทานญาติก็คือการศึกษาการปฏิบัติการสัมผัสผลและการเผยแผ่ธรรมะ ในส่วนที่เป็นกุศลในขณะเดียวกันก็หมายถึงการลดละกิเลสด้วยหือถ้าเราจับโดยสรุปง่ายๆก็คือว่าการด ำ, ดำเนินชีวิตไปบนเส้นทางของการไม่กระทำบาปทั้งปวงการทำกุศลในสมบูรณ์การทำจิตใจ้่องแผ้วเนี่ย หือว่าเป็นการดําเนินไปบนเส้นทางแห่งความเป็นธรรมะยากแต่ผลแห่งธรรมะปฏิบัติท่านเหล่านั้นก็จะได้สัมผัสกับความยิ่งย่อนแตกต่างกันขึ้นไปในที่นี้จะได้พูดถึงกุศลธรรมโดยสรุปและอกุศลธรรมโดยสรุปเป็นปริยายในการอธิบายขยายความ ในภาคของการปฏิบัติเกตามปกติแล้วเมื่อเราศึกษาเรื่องสมาธิเนี่ยก็จะมีการอธิบายในรูปของการเห็นแจ้งตามความเป็นจริงในอริยสัจ ท, ทั้ง4ประการสมาสังกบะก็คือการดับริออกจากการมการดําริในการไม่พยาบามและการดําริในการไม่เบียดเบียนเป็นต้น ซึ่งก็หมายความว่าเป็นการผูดเฉพาะด้านเพิ่มขึ้นของกุศลธรรมแต่ไม่กล่าวถึงการลดละจางคลายของกิเลสซึ่งตรงกันข้ามกับกุศลธรรมเ่าด้า น, นในปริยายในที่นี้ท่านแสดงทั้งเรีย ก, กว่าขั้วบวกและขั้วลบหมายความเมื่อองค์เรมากแต่ละข้อก็เกิดขึ้นเนี่ยก็ทำงานอะไรบ้าง เลยจะเกิดเป็นกระบวนการออกมาในรูปลักษณะอย่างใดซึ่งในแง่ของความเป็นจริงแล้วคนที่ปฏิบัติเท่านั้นเองจึงสามารถเห็นได้นแสดงว่าสมาธิิคือปัญญาเน้นชอบตามความเป็นจริงเมื่อเกิดขึ้นย่อมละมิสาธิดิ แสดงว่าปริมาณของสมาธิคือปัญญานิดชอบเกิดขึ้นมากเท่าไหร่เนี่ยก็จะทำหน้าที่กระจัดมิจฉาทิฏฐิให้จางไปคลายไปบรรเทาไปจนถึงหมดสิ้นไปในระดับเดียวกันสมาธิเป็นปัญหาใหญ่เพราะว่าตามปกติแล้วเนี่ย จิตใจของคนเรามืดบอดด้วยอำนาจของอวิชชาเราเกิดมาจากอาวิชชาแต่สมาธิที่นี่อยู่ตรงกันข้ามกับอวิชชาคือเป็นตัววิชาถ้าขาดการศึกษาการปฏิบัติจริงๆโอกาสที่จะสับสนในด้านความเห็นเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ง่าย ผลเนเตเกิดของสมาธิที่ท่านกล่าวโดยสรุปนะแต่เป็นเรื่องใหญ่มากๆประการแรกคือปรตโขสสะได้ไปการเรียนรู้มาจากอื่นคือจากอะไรก็ได้จากสิ่งที่ตนได้เห็นสิ่งที่ตนได้ยินสิ่งที่ตนได้สวดดมสิ่งที่ตนได้ลิ้มสิ่งที่ตนได้จับต้องตลอดทั้งนําข้อมูลเหล่านั้นเข้ามาเก็บสะสมไว้ภายในใจ มันก็เป็นเหตุให้เกิดความเห็นชอบได้แต่ว่าในภาสนามจริงๆเนี่ยมันเกิดว่าเราไปเห็นอะไรไปได้ยินอะไรสุดลมอะไรลิ้มอะไรจะบต้องอะไรแล้วสติปัญญาเรามากพอต่อการจะวินิจฉัยได้ไหมว่าสิ่งนั้นน่มันดีหรือไม่ดีโดยก็กลายเป็นปัญหาใหญ่เพราะอะไรเพราะว่า ในความเป็นวิชาทิฏฐินั่นแหละบางครั้งรู้สึกว่าคิดง่ายพูดง่ายเช่นสมมติว่าคนเราเกิดมาคนเดียวตายคนเดียวนี่พูดง่ายหรือไม่ต้องอธิบายขยายความอะไรเพราะไม่มีใครสามารถพิสูจน์ได้ว่าคนเราตายแล้วเกิดอีกแต่ถ้าอธิบายว่าคนเราตายแล้วเกิดอีก หลับใดที่ยังมีกิเลสยังมีกรรมมันก็สร้างขึ้นไปรูปปฏิสนธิวิญญาณไปบังเกิดในกำเนิดต่างๆตามการปรุงแต่งของกรรมก็กลายเป็นภาษาที่ขัดอยากจะต้องอธิบายขยายความกันตลอดจนแม้เดี๋ยวนี้นะเราไปในที่ใดเนะี่ยจะเจอคำถามเรื่องคนเราตายแล้วเกิดอีกไหมนะรกสวรรค์มีไหม นะเทวดาเป็นยังไงสัตว์นรกเป็นยังไงนะอยู่ที่ไหนอะไรต่างๆเนี่ยอย่าเป็นคําถามประจำเลยแม้ว่าคนถามนั้นจะอยู่ในวัยใดก็หมายความว่าสมาธทิที่จะสมบูรณ์ในเรื่องตรงเนี้มันเกิดยากดังนั้นในที่นี้ท่า น, ท, านท่านจึงบอกว่าเมื่อสมาธิิเกิดเนี่ยมันก็จะละมิสาธิฏิทีนี้สมาธิอีก อ, อีกด้านหนึ่งเนี่ยมันเกิดขึ้นจากโยนโสปนสิกาซึ่งที่จริงก็เป็นอาการของปัญญาคือการใช้ปัญญาพิจารณาใครครวนโดยเหตุโดยผลโดยบายวิธีที่ชอบดยเหตุด้วยผลก็จะทำให้เกิดสมาธิทิ่ขึ้นและที่จริงแล้วพวกมิจฉาทิฏฐิเนี่ยบางทีมันละเอียดมาก ถาปั ญ, ญาเราไม่แหลมคมจริงๆเราวินิจฉัยไม่ได้ว่ามันเป็นอะไรดังนั้นในภาคของการปฏิบัติท่านจึงบอกว่ากิเลสที่เป็นข้าศึกต่อสมาธิทินั้นและอวิชชาได้หมายความมาเมื่อแสงสว่างคือสมาธิิเกิดขึ้นเนี่ยมันทําหน้าที่กระจัดนิจชา ท, ทิิคือความเห็นผิด แล้วก็จัดกิเลสที่เป็นปฏิปักิต่อสมาธิโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือกลุ่มของโมหะแต่เราสังเกตว่าบางทีความโลภความโกรธความกำหนัดเนี่ยมันก็เกิดมาจากความมดผิดคือเราเข้าใจผิดเราหลงผิดเราไม่เข้าใจกันความขัแดแย้งต่างๆที่เกิดขึ้นภายในชีวิตของบุคคลตลอดทั้งภายในครอบครัว มีไม่น้อยที่เกิดขึ้นมาจากความเห็นที่ไม่ตรงกันซึ่งก็หมายความว่าสมาธิยังเกิดไม่สมบูรณ์ยังมีอาการของมิจฉาทิฐิอยู่แล้วท่านก็บอกว่ากระทำนิพพานให้เป็นอารมณ์หมายความว่าจิตมุ่งไปสู่นิพพานมุ่งไปสู่ความสงบ พอสมาธิถี่เขาเกิดเนี่ยก็จะเห็นความสงบภายในจิตเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งที่ทำให้จิต ร, ร้อนกระวนกระวายกระสับกระส่ายหรือระการต่า ง, างๆมันเกิดขึ้นมาจากกิเลสแ้งนั้นแหละแต่พอสมาธิถี่เขาเกิดเนี่ยเข้าไปขจัดตัวโมหะหรืออวิชชาซึ่งเป็นรากเงาของกิเลสทําให้อาการกิเลสในรูปแบบอย่างอื่นมันก็ลดลงไป แล้วก็เห็นสัมปยุตธรรมทั้งหลายคือธรรมที่เกิดร่วมหรือเกิดพร้อมกันคราวนี้เราสังเกตว่าจริงๆแล้วธรรมมากเขาไม่ได้เกิดขึ้นล้วนๆข้อใดข้อหนึ่งหรอกแต่ว่าที่ทรงแสดงเป็นหมวดเป็นหมวดเป็นหมว ด, มวดไว้อ่ะนะหมวดสองบ้างสามบ้างสี่บ้างห้าบ้างหกบ้างเจดบ้างแปดบ้างเก้าบ้างสิบ้างเนี่ที่จริงเวลาเขาเกิดเขาเกิดด้วยกัน เขเรียกว่าเป็นปัจจัยของกันและกันเห็นยกตัวอย่างว่าอิทธิบาทเกิดมันเกิดจากการใช้ปัญญาพิจารณาเห็นคุณเห็นโทษของสิ่งเหล่า น, นั้นชัดเจนแล้วก็มีความพอใจในสิ่งเหล่า น, นั้นถ้อพอใจแล้วก็มุ่งมั่นที่จะได้ได้สิ่งเหล่า น, นั้นมาไว้ในครอบครองก็ใช้ความพยายาม ในขณะใช้ความพยายามเนี่ยจิตใจก็ต้องจดจ่อมุ่งมั่นไปในที่นั้นในขณะเดียวกันปัญญาหรือวิมังสาในที่นี้ก็จะกำกับในสิ่งที่เราพอใจในตัวความเพียรที่ดำเนินไปและก็ในใจที่มุ่งมั่นก็วินิจฉัยไปเรื่อยๆถ้าลองสังเกตคล้ายๆเรานั่งรับประทานอาหารเนี่ย มันก็เกิดจากเรารู้อะไรเป็นอาหารอะไรควรกินหรือไม่ควรกินอร่อยหรือไม่อร่อยเราชอบหรือไม่ชอบเป็นคุณกับร่างกายหรือไม่เป็นหรือว่าเป็นโทษกรัร่างกายเนี่ยมันผ่านการวินิจฉัยมาแล้วแต่บางทีมันคุ้นอ่ะวินิจฉัยเร็วเราเลยนึกไม่ออกว่าจริงๆเนี่ยอิธิบาทสี่มันมีลักษณะหมุนทรงแสดงที่ฉันทะคือหมายความว่าจุดที่จะ ก้าวไปแล้วจริงๆแล้วเนี่ยมันผ่านการใช้ปัญญามาก่อนเพราะง่ายเป็นหมุนเลยจิตตะวิยะจิตต ะ, ะสันธาวิรยิยะจิตตะวิมังสาวิมังสาสันทาวิรยิยะจิตตะวิมังสามก็หมุนกันไปจนกว่าจะถึงจุดหมายปทางเพรา ะ, ะนั้นเราก็ถือว่าในกรณีเนี่ยสันธาวิรยิยะจิตตะมันก็เป็นสัมมาญาติธรรมที่เกิดพร้อมหรือเกิดร่วมกับ ปัญญาที่ใช้ในการพิิจพิจารณาและเห็นสัมบยุญตธรรมเหล่านั้นโดยความไม่งมงายหมายความปัญญานั้นแจ่มแจ้งชัดเจนเราก็จะเห็นชัดเจนนะว่าอนั้นเป็นความเห็นที่ถูกต้องเป็นความดีงามซึ่งบางครั้งเราก็คงไม่ชัดนะถ้าสมาธิไม่มากพอนะ่ แต่ในที่นี้ท่านพูดในกรณีที่ปริมาณของสมาธิทิขสูงแล้วก็ไปทำลายอภิชาลงไปได้มากๆบางคราวก็อาจจะไม่ถึงหมดหรอกเพราะว่าทิฏฐิสัมปันนะคือการสมบูรณ์ในทิฐิเนี่ยมันที่จริงมันเริ่มที่ประสรบันที่เป็นความเห็นชอบซึ่งไม่ถูกโยครอนหวั่นไหวไปด้วยประการใดประการหนึ่ง นั้นจะเห็นชัดเจนแล้วก็ไม่หลงผิดเป็นถูกหลงถูกเป็นผิดซึ่งบางครั้งข้อนี้ลองสังเกตนะว่าจะมีการกล่าวอ้างว่าอย่าเชื่อโดยอ้างตำรามาปิตาไกเหตุคืออย่าน้อมใจเชื่อโดยอ้างตำราโดยไปอ้างเอากาลามาสูดแล้วก็พูดเพิื่อนะฮะ แต่จะสังเกตได้ว่าตรงนั้นไม่ได้หมายถึงพระไตรปิฎกเพราะพระสตยบิดกเป็นภาษาเกิดที่หลังจากนั้นร่วมสามร้อยปีมาปิตักเะเหตุก็หมายถึงว่าอย่าเชื่อ ต, ตำราคำพีทั้งหลายนะฮะแต่อย่าแปลเป็นพระไตรปิฎกเมื่อข้าปฏิเสธพระไตรปิฎก หรือว่าพระไตยปิดกเป็ น, นาําราพระไตริดกมันอยู่การลาะ ม, มุสอยู่ในพระไตรปิกมันการละมาสก็คือตรรมเลยก็ยุ่งหมดเลยจะไม่มีทิศทางอะไรวันก่อ น, นมีอาจารย์จาก ม, ามหาวิทยาลัยศรีปฐุมเขาเล่าให้ฟังว่ามีอาจารย์ที่สอนระดับปัญญาโทรเอกไม่ทราบนะลืมถามหรือเขาบอกว่า พระบาลีพุทธ ว, วัจนะนี่มีสิทธิ์ที่จะวิภาคษวิจารณ์ได้เพราะว่ายังมีความบกพร่องอยู่มากแต่บอกแม้มันใหญ่โตหรือ เ, เ, เกินนะฮะคือการพูดถึงพระบาลีพุทธวจนะในลักษณะนี้เนี่ยแสดงว่าใหญ่โตมากเก่งมากแต่ที่เราสลดก็คือปรากฏว่าท่านผู้นี้เป็นป ร, ริยนธรรมกาพย์อยู่ลองนึงกดูเกราบพูดดีนะ คือพระเราเนี่ยจะไม่กล้าพูดหรอกที่สามารถจะวิาพากวิจารณ ว, วิเคราะห์วิจัยท่วงติง ป, งปะระเด็บิดดกเนี่ยเดี๋ยวถ้าอัตกถาเนี่กว่าพูดได้นะเพราะพระทัติอาจารย์ท่านไม่เป็นพระอรหันต์แต่กับพระรุทธเจ้าเราก็ถือว่าถ้าไปล่วงละเมิดขนาดนั้นมันก็เป็นอนายุประวาติมันขาดความเคารพหนักแน่นในพระพุทธเจ้า ก็แสดงให้เห็นว่าองค์ธรรมคือปัญญาเนี่ยก็จะช่ออย่างไรก็ช่างเขาอ่ะจะทำหน้าที่ขจัดโมหะอาวิชาโมหะในพวกมงงางทั้งหลายนี่จะทำหน้าที่ขจัดแล้วท่านก็นบอกว่าไม่ใช่เห็นโดยความเป็นอารมณ์แตว่าเห็นที่จิตเนี่ยมันเห็นที่จิตไม่ใช่ว่าเป็นอารมณ์ที่มากระทบจิตเห็น เนป็นปรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นรถตอนนี้ก็เรียกว่าเป็นธรรมารมณ์ไม่เห็นสักแต่ว่าเป็นธรรมารมม์แต่ว่าเห็นผลที่ปรากฏภายในจิตว่าจิตมันมีปัญญาสว่างไสวแล้วไม่เลื่อนไหลไปด้วยความงมงายไร้เหตุผลต่อไปมิจฉาไม่ใชสสนะ่สมาสังกัปปะนะสมาสังกัปปะคือความดำริชอบโดยเนื้อหาสาระก็คือสามอย่างนั่นแหละ คือดำริในการที่จะออกจากกรมสมาสังกัปปะเป็นปัญญานะฮะพิจารณาเห็นโทษของกามเห็นโทษโดยปริยายต่างๆเป็นนั้นมากรเราเห็นว่าพวกวัตถุกรรมทั้งหลายนะไม่ว่าอะไรก็ตามนะรถราบ้านเรือนนะผู้ครองทั้งหมดอะไรก็ได้ที่เป็นโลกวัตถุทั้งหลายเนะี่ยถ้าเรามองในแง่ของความเป็นจริงแล้วนะ่ มันเป็นตัวความทุกข์แล้วก็เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ตัวเขาเองนั้นเหมือนกับแผลเหมือนกับฝีกรัดหนองเหมือนกับการถือคข้าเพลิงทวนลมเหมือนกับอาวุธเหมือนกับศัตรามือนกิจยาพิษไร้สารพัดมันขึ้นอยู่การมองได้และเม็ดละไมขนาดไหนและถ้าเราไม่ชัดเจนเนี่ยจะออกจากการจะยากนะ ภาษาใยกามเนี่ยเป็นสายใยที่ไม่เห็นด้วยตาแต่มันถูกยึดเหนี่ยวไว้ด้วยใจอย่างคำโครงที่ว่ารักกันอยู่ขอบฟ้าเขาเขียวเสมออยู่หอแห่งเดียวร่วมห้องก็แสดงว่าผูกพันยึดโยงจิตใจของบุคคลเอาไว้อาจจะต้องจา่ายค่าโทรศัพท์โทร่ําโลกไปคุยกับคนที่เรารักที่สหรัฐอเมริกาก็แล้ ันโทษต้องเห็นชัดเจนแล้วก็พยายามที่จะบรรเทาให้จางให้คลายออกไปจากใจอย่างน้อยที่สุดก็อย่าถึงกระมอกมุ่นอย่าถึงกระบอกมุ่นอยู่ในกามคุณมากเกินไปผขาเรียกว่าเนคขมะสังกปะแปลว่าความดำริที่จะออกจากกาม กามกล่าวโดยสรุปมีสองประเภทนะประเภทหนึ่งเป็นนามนธรรมประเภทหนึ่งเป็นรู ป, ปรธรรมนั้นก็คืออะไรก็คือว่าโลกวัตถุทั้งหลายนะรูปเสียงดินรถสภุภะที่เราสัมผัสด้วยตาหูจมลิ้นกายใจเนี่ยสรุปรวมแล้วว่าเป็นวัตถุกรมแล้วก็กิเลส มีราคาก็ได้โลภะ ก, ก็ได้ยินดีก็ได้กำนัดก็ได้เพลิดเพลิงก็ได้อะไรก็ได้มันก็กลายเป็นพวกกิเลสกรรมหมายความว่าพวกนี้ที่จริงแล้วพวกวัตถุกรมเนี่ยมันเป็นปรากฏการณ์รรมชาติเป็นผลผลกันธรรมชาติาตที่เกิดเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปด้วยเหตุปจัจจัยทะเลก็มีอาการเกิดดับอยู่ตลอด แต่ใจคนเราไปกำหนดมันด้วยความกำหนัดรูปนั้นสวยนะ้าเสียงไพเราะนะ่าลินหอมนะรสอร่อยนะสัมผัส น, น่าจับต้องนะ่ก็เกิดเป็นกิเลสขึ้นมาาะจริงๆเนี่ยกา ม, มันเกิดจากใจที่ดำริดำริด้วยความใคร่ความใคราก็เกิดดำริด้วยความโกรธความโกรธก็เกิดดำริด้วยความกำหนัดความกำหนัดก็เกิด ดํารีด้วยความงม ง, งายไร้เหตุผลความงม ง, งายไร้ผลก็เกิดตอนพระเจ้าตรัสรู้ใหม่ๆเนี่ยทรงตรวจดูสิ่งซึ่งตัวกามแล้วก็ทรงเห็นว่าเออมันเกิดมาจากความดํารีนี่เองแล้วสั่งว่ากามเนี่ยดูก่อนกามบัดนี้เราเห็นเจ้าแล้ว เจ้าจากเก้าเกิดจากความดำดิ่นี่เองต่อไปเราจะไม่ดำดิถึงใจอีกแล้วเพราะความดำดิ่งนี่จึงเป็นกา ร, รมของคนแต่ลองสังเกตว่ามันไม่ใช่แต่กามอย่างเดียวฮะเป็นโทสะเป็นนาคาดเป็นพยาบาทเป็นอะไรแต่อะไรมันอยู่ที่เราคิดเราทางนั้นนะถ้าเราไม่คิดนี่จบทันทีได้ เรเรียกว่าปรุงคิดคิดปรุงขึ้นมาคิดว่าเขาด่าแล้วเขาด่าเราแล้วเราก็โกรธถ้าเขาดา่าแต่เขาไม่ด่าเราเราก็ไม่โกรธก็แสดงว่าเราเป็นดึงคำด่าของเขาเนี่ยมายชนกับเราแล้วความโกรธก็เกิดขึ้นไปในะจิตเราก็ผลาญจิตใจของเราแล้วถือว่าด่าก็สักแต่ ว, ว่าดา่าก็สักแต่ ว, ว่าคำสักแต่ ว, ว่าเสียง ใจไม่ปรุงด้วยความกำหนัดใจก็จะจางคลายจากความกำหนัดเองเพราะแนวได้ธรรมาเนี่จึงทรงจำแนกแสดงไว้เป็นวิถีชีวิตของมนุษย์ในโลกนี้นะฮะประเภทหนึ่งเรียวกว่ากายก็ไม่ออกใจก็ไม่ออกในแก่กลุ่มคนนิมุกบุ้นวุ่นวายอยู่กำหนัดเพลิดเพลินอยู่ในแหล่งเริงรมทั้งหลายนะฮะ อยู่ในวัตถุกรรมทั้งหลายดูแล้วมันก็วุ่นวายได้เก่งแล้วรู้คราวๆทางซื้อผิวปัญหาเศรษฐกิจปัญหาสังคมปัญหาการเมืองปัญหาความมั่นคงปัญหาการทหารเนี่ยไม่เคยนิ่งเลยเอามาพูดกันได้ตลอดนะแต่ถ้าเราดูให้ดีพวกนั้นก็คือเรื่องของวัตถุกรรม ม่นเกิดจากใจที่มีกิเลสไปกำหนดแตาผูกโยงใจเอาไว้ในสุดใจเราก็กระสับกระส่ายโดยหน้าของความคลายความหวงความค่วงความวิตกกังวลความสินีหาอลัยความเศร้าโศกเสียใจก็แล้วแต่กรณีต้องอารมณ์อีกแน่นหนึ่งเนี่ยท่านเรียกว่าอัพยาป่าเดวิตกสังกปะ คือความดำริด้วยอำนาจด้วยความไม่อาฆาตพยาบาทควมอาฆาตพยาบาทตามปกติแล้วมันเกิดไปจากโทสะเกิดมาจากความไม่ยินดีความไม่พอใจความโกรธความผูกโกรธแต่ว่าเก็บเอาไว้ก็กลายเป็นพยาบาทเพราะพยาบาทถ้าเก็บเอาไว้เนี่ยใจมันจะสาย ถ่ายเป็นเยวอารมณ์อดีตบ้างอนาคตบ้างสร้างตสถานการณ์จำลองขึ้นมาก็ปรุงแต่งใจมันก็ปรุงแต่งไปเรื่อยๆคนนี้เคยทำอันตรายต่อเราคนนี้เคยทำอันตรายต่อญาติพี่น้องของเราคนนี้เคยเป็นมิตรเป็นต่อเป็นมิตรต่อศัสรูเราต่อไปคนนี้จะเป็นอันตรายต่อเราต่อไปคนนี้จะเป็นอันตรายต่อญาติพี่น้องของเราต่อไปคนนี้จะเป็นประโยชน์เกื้อกูลต่อสัตรูเราก็เกิดพยาบาท เราสังเกตว่า ấy, กิเลสเนี่ยแกไม่มีเหตุผลเพราะว่าแกเกิดมาจากโมหะแกเกิดมาจากอาวิสาถึงความมืดบอดในด้นจิตใจจะไม่มีเหตุผลแล้วก็จะมีวิธีการที่รุนแรงแล้อาจจะคิดว่าคนนี้กําลังทำอันตรายต่อเราคนนี้กําลังทำอันตรายต่อยาตพี่น้องของเราคนนี้กําลังทำอันตรายต่อ ไม่ใช่กำลังทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสัตว์สู่เราเอ้าโกรธก็อีกแล้โกรธอาฆาตพยาบามก็อีกล้วิหิงสาสังกปะดำริในการไม่เบียดเบียนเป็นจิตที่ประณีตมากเพราะว่าวิหิงสาคือความเบียดเบียนเนี่ยมันเป็นคล้ายๆสัญชาตญาณดิบของสัตว์โลกแล้วลองสังเกตโลกมันไม่นิ่งเลยมีการเบียดเบี ย, บยมนมาทุรายกันตลอด ขนาดว่าพระพุทธเจ้าทรงทอดพระเนตรดูสัตว์โลกแล้วก็ทรงเปร่งพระพุทธโอฐานว่าอปยาปัชังสุขขังโลกเกปาณภูเตสุสัญญโมการไม่เบียดเบียนกันคือการสำรวมระวังในสัตว์ทั้งหลายนี่เป็นความสุขในโลกหันใจที่คิดชอบเนี่ยมันคิดได้ดปัญญาข้ากำกับคือไม่เห็นคุณค่า ที่เกิดขึ้นจากการคิดในทำนองเบียดเบียนแต่เห็นคุณค่าของการคิดในทานองไม่เบียดเบียนก็คือกรุณานะหมายความมามองคนที่ประสบทุกภัยโรคด้วยความการุณาตัวลงว่าในตรงนี้ไอรอนตั้งเกตว่าในคมสังกปะก็ดำเนินในการออกจากกามเป็นทานเป็นจากะ เป็นการสละบริจาคให้พันดำ m ฤตในการไม่พยาบาทก็เป็นเมตตาดำ m ฤในการไม่เบียดเบียนก็เป็นกรุณาเป็นี่กุศลธรรมหังอื่นมันจะเกิดตามมาน่าเช่นเราสามารถให้ทานได้เนี่ยกุศลธรรมอย่างอื่นก็จะเกิดตามเพราะว่าในการให้ทานเนี่ย มันต้องลดโทสะในตัวคนผู้รับต้องลดจันด่ลดโลภะในสิ่งที่เราบริจาคแล้วก็ต้องลดโมหะลงไปในจิตถ้าจิตจะมีกิเลสตัวใดตัวหนึ่งอยู่ในสามจุดนี่นะให้ไม่ไดุ้ณแสดงว่าสามปยุติธรรมพฤติกรรมที่เกิดร่วมกันเนี่ยฝ่ายกุศลก็จะเกิดตามมาและในขณะเดียวกันเราก็เห็นว่าในตัวคนเนี่ยโทสะมันดับ ในตัวสิ่งเนี่ยความสนิทมันดับโลภะมันดับในตัวเจตนาเนี่ยโมหามันดับใจก็ถูกกำกับด้วยกุศลธรรมนำใจไปสู่การให้ทานพอเมตตามันก็จะมีลักษณะอย่างนั้นเราจะเห็นว่าเมตตามั้นมีสักทัวไปเป็นนารมณ์เราพูดได้นะแต่ทำยาก เพราะอะไรเพราะว่ามันขัดแย้งกับความรู้สึกเป็นเราเป็นเขาคือโลกมนุษย์มันเป็นเราเป็นเขาเยอะแล้วก็เป็นความรุนแรงกิจกันเขียนฆ่าเบียดเบียนประทินร้ยนรยนรายกนันการทำใจกอบด้วยเมตตามันขจัดความผูกโกรธความโกรธความพยาบาทความอาฆาตความจองเวนโอกิเลตประเภทแรงๆเนี่ยมันขจัดออไปได้ เพราะเราเห็นว่าในตัวคนเนี่ยเราจะมองคนด้วยเมตตาและในสิ่งของของเขาอะเราจะมองด้วยความไม่โลภแต่ในขณะเดียวกันเมื่อเรามองคนคนนั้นด้วยเมตตาเนี่ยของของเราเราพร้อมจะให้เขาพร้อมจะสงเคราะ์ช่วยเหลือเขาเราอาจจะเมตตาในนายก่อนแต่เราไปสงเคราะห์ลูกชายเขาได้ ไปชื่อเหลือพัญญาเขาได้แสดงความเคารพนับถือต่อพ่อแม่ก็ได้นั้นเราจะเห็นว่าสามัญยุทธธรรมเนี่ยคือกุศลด้วยกันก็จะเกิดตามมาเป็นแถวเป็นแถวภายในจิตมันพุทธศาสนสุภาสิตที่ว่าโลกโกปธรรมพิการเมตตาเมตตาเป็นธรรมค้ำจุนโลกนี้ถ้ามีได้จริงๆก็ค้ำจุนได้จริงๆแต่ว่าทำยังไงจะเกิดได้ คือยังมองแตงข่าวคราวที่เกี่ยวกับการรับน้องคือนึกไม่ออกจริงๆอะพอวิธีการที่ละเมียดละไมสวยงามเหมาะสมก็คงจะมีแหละนะแต่ว่ามันเป็นปกติธรรมดามันเหมือนกับพี่กับน้องเขาดูแลกันเนี่ยมันไม่เป็นข่าวหรอกคืออย่าไปคิดว่าทาไมไม่ยกย่องมันเป็นภารกิจปกติ แล้วการไปล่วงละเมิดเขารุนแรงขนาดนั้นที่เกิดเรื่องขึ้นมาเลยหลายจุดเนี่ยรองสังเกตว่าเราคิดว่าเขาเป็นน้องหรือเปล่าถ้าเราคิดว่าเขาเป็นน้องนี่พี่จะต้องมีน้ำใจเมตตาปรารถนานดตีต่อรองต่อน้องการแสดงออกนั้นจะต้องมีลักษณะของการโอบอุ้มคุ้มครองปกป้องอ รักษาพิบาลทนุถนอมห่วงใจดูแลเอื้ออาทรมันไม่ใช่ไปทำอย่างนั้นเนี่แล้วก็มาแก้ตัวมาอ้างมาร้อ ง, องห่มร้องไห้มันไม่มีเหตุผลหรอกคือถ้าเราจะใช้วิธีทำผิดเดีวมานั่งร้องไห้บีบน้ำตานี่มันแก้ปัญหาไม่ได้เราต้องนึกว่านักโทษรับโทษมาอย่างนี้หรือเปล่า ทหารรับทหารใหม่อย่างนี้หรือเปล่าคือถ้าถือว่าตัวเองอยู่ก่อนเป็นพี่มันก็ทุกคนก็เป็นพี่แต่เขาไม่ได้สมัครมาเป็นน้องคุณเนี่ยเขสมัครมาเรียนที่มหาวิทยาลัยเขามีสิทธิ์ทีามีเสรีภาพเขามีสิทธิที่จะคิดมีสิทธิที่จะตัดสินใจมีสิทธิที่จะเลือกไปดูในคําสมัครเถอะไม่มีอะไรข้อความตรงไหนเลยที่มาสมัครเป็นน้องของรุ่นก่อนเนี่ย แล้วการใช้ชีวิตในมหาวิทย า, าลัยจริงๆมันก็ไม่ได้คลุกคลีอะไรกันต่างคนต่างก็เข้าวห้องเรียนมาจากบ้านต่างคนแล้วก็ข้าห้องเรียนอย่างเดือนเมื่ากลับบ้านต่างคนก็แยกย้าย ก, กันกลับบ้านนานๆจะมีกิจกรรมร่วมกันห่างๆครั้งน่งบกโลกมันไม่มีที่ไหนในโลกนะฮะที่มีการรับคนซึ่งเข้ามาใหม่โดยวิธีการที่นักศึกษาบ้านเรารับอยู่ในที่บางแห่งนะฮะ ซึ่งที่จริงกระงสาธารจะต้องประชุมสัมมนาแล้วก็คิดนะฮะเขาบอกว่ามาตั้งห้าทีปีแล้วก็แสดงว่ามันเชยล้าสมัยแล้วเป็นความคิดยุคคนป่าอนาระยะไปแล้วไม่มีใครทำกันอย่างนี้นแลยจะนึกนึกไม่ออกว่าจะสร้างสามัคคีกันยังไงสามัคคีกันอย่างไรรา ง, นงไในเมื่อเริ่มสร้างความโกรธความเจ็บใจความ อาดาพยาบาทจนถึงก็ไปแก้แค้นกับน้องรุ่นใหม่เนี่ยคือฟังเวลาเขาแสดงความเห็นออกมาทางสื่อนึกเออความคิดอย่างนี้มันก็ขาดเหตุผลเยอะนะถ้าเราอยู่ตรงนั้นใครทำรุนแรงกับเราอย่างนั้นเนี่ยเราเอาหรือเปล่าแล้วก็ทำไปทำาอะไรปัญหาต้องกัรมาได้ไประโยชน์อะไร พันเมตตาเนี่ยมันมองไปที่ประโยชน์ซึ่งคนที่เราเมตตาจะได้พันลนักษณะจิตจริงๆโอกุ้มคุ้มครองปกป้อ ง, องรักษาธิบาลดังกล่าวธรรมะตรงนี้เราจะเห็นว่าสมาธิติสมาจังกะปะนั้นเป็นปัญญานะ่ยพูง่ายๆว่าเป็นอโมหะคือความไม่หลง เมตานั้นเป็นอโทศะคือความไม่โกรธแต่ว่าการเสียสละการบริจาคนั้นเป็นอะโลพาเห็นไหมเพราพวกกลุ่มกุศลธรรมก็เกิดได้กันในขณะเดียวกันพวกอ ก, กลุมอ ก, กุศลทึง่งรวกันข้ามก็ถูกขจัดไปแล้วก็ทะทำกระบอกข้อความเหมือนเดิมนะฮะและกิเลสที่เป็นข้าศึกต่อสมมาสังกปะนั้นหมายความผดสมาสังกปะเกิดเนี่ย นอกจากขยจัดมิจฉาสังกปะ ค, คือความดัมเิผิดมิจฉาสังกปะ ค, คือตรงกันข้ามนะคือดัมเบในทางกำหนัดระใคร่เพลิดเพลินชื่นชมยินดีในพวกวัตถุการมทั้งหลายดัมเบกันด้วยความมาฆาตพยาบาทจองล้างจองผานจองเวนจองภัยจองอันตรายกันแต่ดัมเบลในการเบียดเบียนโลกมันเป็นมิจฉสันดีนะฮะคิดอย่างนี้ถ้าทําไปตามนี้แล้วก็โลกก็มิจฉสันดีแล้วมันอยู่ไม่ได้ นี่ก็เป็นส่วนของปัญญาการต่อไปท่านก็บอกว่าสัมมาวาจาคือการเจรจาชอบที่จริงถ้าพูดง่ายๆเนี่ยคือเจรจาที่ยุติโดยเหตุผลและความดีชอบก็คือชอบโดยทำคล้อยตามทำเป็นไปด้วยทำยุติโดยทำ เนี่ยมันจะกระจายภาษาที่พูดออกไปยังไงก็ตามแต่บรากเกลกลุ่มเนี่ยฮะคือฐานจิตจะเป็นเรื่องใหญ่จะพูดอะไรกับใครอย่างไรเนี่ยฐานจิตจะเป็นหลักสำคัญที่สุดคือคงถามง่ายๆว่าเราคิดยังไงพรเจ้าทรงใช้คำวบมเมตตาวาจา คือวาจาที่พูดด้วยเมตตาคือมุ่งดีปรารถนาดีต่อผู้ฟังในขณะนั้นๆในขณะเดียวกันในภัยราชกุมารสูตรในมัชฌิมานิกายเหมือนกันรับสั่งถึงวาจาที่พระองค์ทรงรับสั่งเนี่ยมีอยู่สองประเภทในขณะที่ภาษาในโลกเนี่ยมีอยู่หกกลุ่มใหญ่ๆ แต่ที่พระองค์รับสั่งก็จะมีอยู่สองกลุ่มเรื่องนั้นเป็นเรื่องจริงสองเป็นธรรมสามมีประโยชน์สี่ผู้ฟังไม่ชอบใจแต่พระองค์ก็รู้การที่จะรับสั่งวาจาเช่นนั้นเพอที่สองเรื่องนั้นเป็นเรื่องจริงเป็นธรรมมีประโยชน์ผู้ฟังชอบใจ ในผู้ฟังชอบใจพระองค์ก็ดูการที่จะรับสั่งวาจาเช่นนั้นวพนาะเราเจ็นว่าสัมมาวาจาเนี่ยบางครั้งบางคราวอาจจะเป็นการตำหนิทุ้งติงตักเตือนให้สติอาจจะต้องหลุอะไรก็ได้แต่ถามว่าเรื่องนั้นจริงไหมเป็นธรรมไหมมีประโยชน์ไหม แล้วผู้ฟังท่าถือตามปฏิยปตามแล้วจะเกิดประโยชน์แก่เขาไหมแม้ในขณะนั้นเขาไม่ชอบใจก็พูดได้เรามองไปที่ตัวประโยชน์ที่ผู้ฟังจะรับเนี่ยเป็นประการทักกันวันสมาวจานี่มันจึงออกมาในสี่ลักษณะคือเป็นคำสัตย์คำจริง ตามที่เราได้เห็นได้ยินได้ทราบได้รู้มาอย่างไรเ้วก็พูดไปอย่างนั้นหมายความมาตัดสินวิสัยกันโดยโลกสัมผัสเห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูได้ทราบด้วยจมูกลิ้นกายได้รู้มาด้วยใจอย่างไรก็พูดไปอย่างนั้นแลการที่สองก็คือว่า พูดคำที่ส่งเสริมสามคัคคีประสานสามัคคีกระทับสามัคคีจริงๆคนในโลกถ้าเรามาเกาะกลุ่มเนี่ยมันจะกลายเป็นสี่กลุ่มสามกลุ่มนะกลุ่มหนึ่งคือยังไม่สามัคคีกันกลุ่มที่สองก็คือสามัคคีกันดีอยู่แล้ว กลุ่มที่สามเคยสามัคคีแต่ว่ามีข้าวจะแตกแยกโดยพื้นจิตที่เมตตาเนี่ยจะปรารถนาที่จะคนซึ่งยังไม่สามัคคีเนี่ยสามัคคีกันให้คนที่สามัคคีกันอยู่แล้วเนี่ยดำรงความสามัคคีเอาไว้แต่คนที่มีข้าวจะแตกแยกก็ให้ประสานรับนิปนอมอดทนให้อภัยเราคอยกัน ต่างโตดกันใหม่น้ำหนึ่งกันใหม่นั้นก็เป็นวาจาที่เรียกว่าเป็นสุภาษิตหรือเป็นสัมมาวาจานี่อย่าลืมว่าพวกนี้มันจะขจัดโลกโกลงเชสมมตริราสัจจะวาจาเนี่ยคือเราเองต้องชัดเจนแต่เรายังไม่ชัดเจนเนี่ยมันก็ไปยิ้อยันมาจริงไม่ได้ และในขณะเดียวกันนี้เรามุ่งประโยชน์แก่ผู้ฟังว่าเรื่องจริงเานี้มันเกิดประโยชน์แก่ผู้ฟังก็แสดงว่ามันเป็นลดที่โลภไปลดที่โมหะแล้วก็ไปลดที่ตัวโ ท, โ, ท โ, ทโทสะในตัวคน่ปจะส่งเสริมสามาคัคคีประสานสามัคคีกระชับสามาคัคคีก็มีลักษณะเช่นเดียวกันมันเป็นเมตตา คือมุ่งดีปรารถนาดีต่อบุคคลเหล่านั้นมองเห็นว่าคนเหล่านี้ถ้าสามัคคีกันก็จะเกิดประโยชน์ถ้าก็รักษาสามัคคีกันไว้ก็จะเกิดประโยชน์ถ้าเขาประสานสร้างสม า, านฉันท์กันได้ก็จะเกิดประโยชน์เราก็พูดเพื่อประโยชน์เขาพูอประโยชน์ก็ผู้รักษารแล้วกล่าวคำที่ไพเราะอ่อนหวาน อาจจะบางทีอาจจะไม่ไพเราะอ่อนหวานเท่าไหร่ก็ได้แต่มันเกิดประโยชน์แล้วก็อยู่ในประเภทแรกที่พระเจ้ารับสั่งในอาภัยราช ก, กุมารสตรเนี่ยแต่บางทีผู้ฟังอาจจะไม่ชอบใจแต่พระองค์ก็ดูรู้การที่จะรับสั่งพระเจ้าเช่นนั้นแล้วกันต่อไปก็คือพระเจ้าเหล่านั้นมีสารประโยชน์ เราจะเห็นว่าวาจาที่ไประอ่อนหวานมันแน่นอนว่าต้องซึ่งส ง, งบโพสะและที่ต้องระมัดระวังเนี่ยวจาอ่อนหวานบางทีมันพูดโลภะคือโลภอยากได้ปุกโฆษณาประชาสัมพันธ์เชิญชวนชักชวนปลกเซน็นแมนปลกขายของทั้งหลายนี่พูดเพราะอนะไรซึ่งต้อระมัดระวัง ในขณะเดียวกันเนี่ยคําเพื่อเจือเหลวไหลไร้สาระก็ไม่พูดคือพูดแค่ข้อคำที่มีประโยชน์ผมแสดงว่าเราต้องไม่มีโมหะในคําที่เราพูดไม่มีโทสะในตัวคนที่เราพูดด้วยแล้วก็มีน้ําใจเมตตาปรารถนาดีมุ่งดีต่อคนที่เราพูดด้วยนั่นเป็นการปฏิบัติธรรมผู้ฟังก็ได้รับประโยชน์ จาก็าจะที่สื่อสารออกไปนะเราเองก็ได้รับประโยชน์จากการที่ได้บำเพ็ญวจีสุจริตกายสุจริตเรียกได้ประโยชน์จากการเจริญกุศลตรงแสดงในโครงสร้างเดียวกันหมดนะครับแต่การต่อไปก็คือสมากมันตะเราอาจจะแปลว่าประพฤติชอบ แต่ท่านแปลมาตั้งแต่โบราณน่ะท่านแปลว่าการงานสอบเราก็ว่าการงานสอบแต่สำนวนปัจจุบันสื่อสารง่ายเนี่ยคือประพฤติสอบหรือปฏิบัติสอบเพราะอะไรเพราะว่ามันไปเกี่ยวข้องกับคนอื่นโดจากสมากรรมตะเนี่ยมันเป็นปฏิกริยาปฏิสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์ให้เกียรต ให้ความเคารพเยติภูมิศักดิ์สีของบุคคลเราอื่นไม่ร่วงละเมิดสิทธิในร่างกายของเขาในชีวิตของเขาซึ่งก็หมายความว่าเราไม่มีโทสะในตัวเขาไม่มีโลภในผลประโยชน์ที่จะได้จากเขาแล้วก็ไม่มีโมหะในเรื่องที่จะจัดการ ที่จัดความสัมพันธ์เชิงสร้างสารรค์ให้บังเกิดขึ้นข้อ ท, ที่สองก็คือยอมรับมือสิทธิในทรัพย์สินของเขาไม่มีโลภะในทรัพย์สินนั้นไม่มีโทสะในตัวคนไม่มีโมหะในตัวเหตุผลที่จะใช้ สร้างความสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์กับเขาแล้วเคารพสิทธิในคู่ครองคือมีลักษณะเช่นเดียวกันนะฮะคือไม่เกิดการมรารคะในคู่ครองของเขาแล้วก็ไม่เกิดโทสะในตัวเขาไม่เกิดโมหะในเหตุผลและความดีของหลักการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ นันแต่ละข้อเราจะเห็นอย่างหนึ่งว่าสมาธิกับสมาสงังกาปะนี้จะเข้าไปกากับไปตลอดวันนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ดาเนินไปไม่ได้ถ้าใจยังเห็นผิดหรือว่าคิดผิดอยู่ใจต้องเห็นชอบแล้วก็คิดชอบการพูดชอบจึงเกิดขึ้นการทำชอบจึงเกิดขึ้นโดยโครงสร้างอย่างเดียวกันท่านบอกว่า สมาสังกรระัะสังกรประเมื่อเกิดขึ้นย่อมละมิจฉากรรมันตะและกิเลสที่เป็นค่าสื่ต่อสมารกรรมันตะนั้นได้กระทำได้ผ่านให้เป็นอารมณ์แล้วย่อมยังสมยุติธรรมทั้งหลายให้ตั้งขึ้นโดยชอบเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าสมาสังกรปรัปปะนี่ถือว่าเป็นปริยายหนึ่งเป็นการอธิบายที่เห็นอาการปฏิกิยาภายในจิตเนี่ยอย่างหนึ่งเกิดจากหนึ่งหายอย่างหนึ่งเกิดจากหนึ่งหายไป แต่ที่จริงก็คล้ายๆกับเราเข้าไปนั่งในห้องแล้วก็เปิดแอร์เนี่ยคือเราจะจ ะ, จะเห็นว่าความเย็นมันค่อยๆเพิ่มขึ้นความร้อนก็ค่อยๆลดลงอุ้งจนหนึ่งความร้อนก็จะหมดไปในห้องนั้นก็จะเต็มไปได้วยความเย็นธรรมะปฏิบัติจะต้องมีลักษณะอย่างนี้ตลอดแม้ความฝ่ายกุศลเกิดอกุศลก็ดบอกุศลเกิดกุศลก็ดบ สำหรับสามัญชนแล้วก็คงจะชักกะเยอะกันไปชักกะเยาะกันมาในลักษณะนี้ื้องฟังทงั้งาาหาลายเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีประทุมในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเทาง่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญองอกงามไปบูรณนธรรมเพืมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี